ความหลังในสังสารบทที่เจ็ดโยมมหาภรยาสามเจ้าทุกข์กลายที่สามเป็นชายหนุ่มหน้าตาเหมือนพระเอกหนังอินเดียเขากราบท่านเจ้าของกุฏิ แล้วจึงแนะนำตัวผมชื่อแผนครับเป็นอดีตมหาป ร, ริญญาเจ็ประโยคทํทำไมถึงศึกเซยล่าถ้าไม่ศึกป่านนี้ได้ประโยค9ก้าวแล้วกระมังชื่ออะไรนะท่านถามอีกแผนครับหลวงพ่อคุนแผนหรือท่านถามยิ้มยิ้มแผนเฉยเยครับถ้าคุนแผนคงไม่ไหวเขาตอบยิ้มยิ้มเช่นกัน มาจากไหนล่ะจากอินเดียครับอ้าวอาตมาเพิ่งไปอินเดียมาไม่ยักเจอกันเป็นคนอินเดียหรือเปล่าเปล่าครับผมเป็นคนยะโสธรไปเรียนที่อินเดียสิบปีเลยหน้าตาเหมือนคนอินเดียกลับมาเลยครับผมเพิ่งมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกมีเพื่อนแนะนำมาจะมากราบเรียนหลวงพ่อว่า ผมจะถูกเก็บไหมครับบุรุษวัยสี่สิบห้าเรียนถามใครจะเก็บล่ะแล้วเก็บเรื่องอะไรหรือว่าด็อกเตอร์เคยเก็บใครมาถึงได้กลัวเข้ามาเก็บไม่ต้องบอกท่านรู้ว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าผมเป็นด็อกเตอร์ถามอย่างรู้สึกพิศวงก็เงเฮงบอกอาตมาไม่ใช่หมอดูนะแต่รู้ว่า ถ้าคนโง่เฮ้งอย่างนี้จะต้องจบด็อกเตอร์ใช่ไหมล่ะท่านมหาป ร, รียนท่านยาวครับผมแต่หลวงพ่อครับผมยังไม่เคยเก็บใครทว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมามีคนมาเก็บผมทําให้ผมต้องหนีไปเรียนที่อินเดียเมื่อเรียนจบก็ต้องศึกเพราะผู้ที่เก็บผมนั้นเขาจะเก็บเฉพาะตอนที่ผมเป็นพระ แต่ถ้าเป็นคฤหัดอาจไม่เก็บเรื่องมันยาวครับหลวงพ่อแต่ผมก็สรุปให้สั้นได้ท่านเจ้าของกุฏิชมว่าดีจริงสมกับเป็นมหาป ร, รียและด็อกเตอร์เลยลองสรุปให้ฟังสิครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาหันหลังไปทางผู้รอคิวซึ่งเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงครึง่งเพราะพากันไปกินข้าวที่โรงครัว ยกมือประนมพูดว่าผมต้องกราบขออภัยท่านญาติธรรมทั้งหลายสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับพระรูปหนึ่งแต่ในฐานะที่ผมเคยอยู่ในเพศบรรพชิตมาสามสิบปีคือเป็นสัมเนนห้าปีเป็นพระภิกษุยี่สิบห้าปีผมจึงขออนุญาตไม่ออกชื่อวัดและพระ ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ผมเคยบวชอยู่เพราะผมไม่ต้องการประจานท่านสิ่งที่ท่านทำท่านก็รู้อยู่แก่ใจเป็นกรรมของท่านที่จะต้องรับอย่างเลี่เกลี้ยงไม่ได้อดีตมหาป ร, ริญญาอรัมพบทค่อนข้างยืดยาวท่านพระครูพูดขึ้นว่าขออาภายัยขออนุญาตขัดจังหวะท่านมหาด็อกเตอร์นิดนึง มหาด็อกเตอร์มีด้วยหรอครับหลวงพ่อคนเป็นด็อกเตอร์ถามก็มหาป ร, ริญญบวกกับด็อกเตอร์ไงล่ะทีนี้ถ้าเรียกมหาป ร, ริญญด็อกเตอร์มันก็ย่นเยอะยืดยาวเกินไปอาตมาถือคติขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลาจึงเหลือมหาด็อกเตอร์อย่าลืมนะท่านมหา ญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าที่นี้ด้วยเราต้องดําเนินชีวิตให้อยู่ในทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่าให้ขาดให้เกินให้ถือคติว่าขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลาเมื่อตะกี้ที่อาตมาขัดจังหวะก็เพื่อจะบอกกับท่านมหาว่าเราไม่ใช้คําว่าญาติธรรม เพราะเราเป็นญาติกับธรรมะไม่ได้ที่ถูกต้องใช้คำว่ากัลยาณมิตรหรือสหธรรมมิกอย่าหาว่าอาตมารู้ดีกว่าท่านมหาเลยนะเพราะอาตมาไม่ได้ป ร, รียนธรรมสักประโยคเดียวขณะที่ท่านมหาได้ตั้งเจ็ประโยคถ้าอาตมาพูดอะไรผิดท่านมหาก็ทักท้วงด้วยก็แล้วกันอดีตมหาป ร, รียนยกมือไหว้ท่านหนึ่งครั้ง แล้วพูดว่าขอพระคุณหลวงพ่อมากครับคำว่าญาติธรรมปรากฏในติโรกุทธกันทคาถาที่ว่าด้วยการอุทิศส่วนบุญให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีทั้งหมดสิบสามคาถาญาติธรรมอยู่ในคาถาสุดท้ายที่ขึ้นต้นว่า โสยาติธรรมโมจะายังนิทัสสิโตแปลว่าญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วคําว่าญาติธรรมในที่นี้มาจากคําว่าญาติบวกธรรมญาติก็คือญาติของพี่น้องส่วนธรรมในที่นี้แปลว่าหน้าที่ญาติธรรมจึงแปลว่าหน้าที่ที่พึงมีต่อญาติหมายถึงเมื่อญาติของเรา ล่วงลับดับขันลมเราก็มีหน้าที่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สมัยที่ผมเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพระอาจารย์ของผมคือท่านชกคุณประยุทธประยุทธ์โตก็สอนอย่างที่หลวงพ่อพูดมาว่าเราเป็นญาติกับธรรมะไม่ได้ญาติธรรมต้องแปลว่าหน้าที่ที่พึงมีต่อญาติผมรู้สึกอายหลวงพ่อมากเลย แบบนี้ผมขออนุญาตยกย่องหลวงพ่อให้เป็นมหาป ร, รียธรรมสิบประโยคนะครับเขาประนมมือขออนุญาตล้อเลียนผู้ที่นั่งณนะที่นั้นพา ก, กันยิ้มลืมความทุกข์ลงได้ชั่วครู่ท่านพระครูช่วยด้วยการเชิดหน้าขึ้นราวกับยอมรับว่าท่านเป็นป ร, รียนธรรมสิบประโยคดังที่ดรแผนยกย่องมองเผินๆเหมือนท่านยังมีอติมานะ คือความถือตัวว่าเหนือกว่ายิ่งกว่าเขาแท้จริงแล้วท่านทำไปเพื่อต้องการให้ผู้มีใบหน้าเพื่อนทุกทั้งหลายใครทุกลงส่วนอติมาณะนั้นท่านละได้ตั้งแต่ครั้งเดินทุ ด, ดงไปในป่าดงพยาเยนกับหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของท่านสุภาพสตรีผู้หนึ่งทักท้วงขึ้นว่าหลวงพ่อคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา หลวงพ่อว่าผู้หญิงคนที่ถูกพระข่มขืนว่าใช้สรรพนามหลายอย่างทั้งดิฉันฉันหนูโยมหลวงพ่อขอให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็เลยเลือกใช้ข้าพเจ้าแต่พอพูดไปพูดไปก็มีหนูฉันตามมาอีกตอนนี้หลวงพ่อเหมือนเขาแล้วนะคะเหมือนยังไงล่ะโยมแม้โยมนี่จำเก่งจริง จำเก่งหรือจับผิดเก่งก็ไม่ทราบท่านพูดยิ้มๆกับสตรีผู้นั้นทั้งจำเก่งและจับผิดเก่งก็ได้ค่ะแต่ตอนแรกหลวงพ่อเรียกด็ อ, อร์แผนว่าด็อกเตอร์แล้วก็เป็นมหาปรเรียนจากมหาปรเรียนก็เป็นมหาด็อกเตอร์สุดท้ายก็เป็นมหาเฉยๆสตรีผู้นั้นต่อกรอกับท่านอย่างนึกสนุกด้วยและถือว่าตัวเองสวยด้วย อย่างนั้นหรือจ๊ะแต่อาตมาขอปฏิเสธว่าไม่เหมือนเพราะอะไรรู้ไหมท่านถามสตรีผู้นั้นคนจำเก่งบวกกับจับผิดเก่งไม่รู้จะตอบท่านว่าอย่างไรเลยยิ้มค้างอยู่ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าที่ไม่เหมือนเพราะอาตมาพูดอย่างมีสติส่วนโยมคนนั้นเขาพูดอย่างขาดสติ จึงแตกต่างกันลิบลับโยมจำไว้เลยนะว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจอาตมากับโยมคนนั้นเกิดต่างวันต่างเดือนแล้วจะให้เหมือนกันได้อย่างไรท่านไปของท่านได้เรื่อยๆแล้วพวกเราจะได้ฟังเรื่องด็อเตอร์แผนไหมคะเนี่ยหล่อนพูดยิ้มยิ้มท่านพระครู บ, บอกด็อเตอร์วัยสีห้าว่า ด็อเตอร์แผนมีคนอยากฟังเรื่องด็อเตอร์เล่าได้แล้วครับหลวงพ่อคืออย่างนี้ครับผมมาจากยะโสธรตอนเป็นสมัมมาเนนมาอยู่วัดแห่งหนึ่งแถวดาวคนองเรียนบาลีที่วัดนี้โดยเจ้าอาวาสเป็นพระอาจารย์สอนสองปีต่อมาผมก็อุปสมบทโดยท่านเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาหลังจากบวชแล้วหนึ่งพรรษา ผมก็สอบป ร, ริยนธรรมสมประโยคได้ต่อจากนั้นอีกหพัาก็สอบป ร, ริยนธรรม7ประโยคได้หลวงพ่อจเจ้าอาวาสท่านก็เลยมอบหมายหน้าที่การสอบบาลีให้พระเนนในวัดแก่ผมเพราะท่านอายุมากขึ้นแล้วมีโรคประจาตัวผมสอนบาลีอยู่ถึง15ปีก็ยังไม่มีโอกาสได้สอบป ร, ริยนธรรมประโยค9จนพระเนรที่ผมสอนได้ประโยคเจ็ ทันผมแล้วพออายุส5สปีผมก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสเพราะท่านพระครูที่เป็นรองเจ้าอาวาสท่านขอกลับไปอยู่วัดในจังหวัดบ้านเกิดของท่านแล้วผมอาวุโสต่อจากท่านแต่แล้วอยู่ๆเจ้าอาวาสก็ถูกยิงมรณาภาพอยู่ในห้องตำรวจมาชนะสูตรพลิกศพพระที่อาวุโสรองจากผมให้ปากคาว่า คงเป็นโจรมาปล้นทรัพย์เพราะจะเอาว่าท่านมีเงินเก็บไว้ในห้องมากความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายเพราะผมใกล้ชิดท่านมากกว่าพระรูปนั้นจึงรู้ดีว่าท่านไม่ใช่คนที่สะสมท่านดำเนินตามปฏิปทาของบรรพชิตทุกประการอดีตมหาวัยส5พูดพลางสายหน้าชา้ชา หน้าหล่อเลาที่มีความเศร้าปรากฏอยู่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความเหมือนพระเอกหนังอินเดียลดดีกรีลงแม้แต่น้อยคืนหนึ่งสมเณรที่เป็นลูกศิษย์ผมมาเคาะประตูห้องเบาๆผมแอบดูทางรูกุญแจก่อนแล้วจึงเปิดให้ ตั้งแต่เจ้าอาวาธถูกยิงเสียชีวิตบรรยากาศในวัดก็ซบเซาเศร้าสร้อยพวกเรารู้สึกอะไรในพระเถระผู้เป็นทั้งพระอาจารย์และพระอุปชาสมเนนมีท่าทางหวาดกลัวบอกว่าท่านรอให้พระเนนรูปอื่นจำวัดเสก่อนจึงมาเพราะมีเรื่องคอขาดบาตราอยากจะบอกผมท่านเก็บเป็นความลับไว้ตั้งแต่ก่อนเจาอาวาธมรณาภาพ บัดนี้เก็บต่อไปไม่ได้แล้วก่อนเล่าก็ขอให้ผมสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับผมก็ให้สัญญาว่าจะไม่แพร่งพรายให้ใครรู้นอกจากผมคนเดียวสมณะเณรก็ย้ําว่าเพราะผมคนเดียวนี่แหละท่านจึงต้องบอกแล้วคุณมาหาแพร่งพรายให้ตัวเองรู้ด้วยวิธีใดคะสตรีสาวสวยคนหนึ่งถามขึ้น เราอยากพูดกับพระเอกหนังอินเดียมานานแต่ยังหาจังหวะไม่ได้ผมพูดเล่นนะครับพอดีผมนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วรู้สึกเครียดเลยพูดเล่นใครเครียดทีนี้ผมจะพูดจริงไม่พูดเล่นแล้วนะครับหลวงพ่อเขาเรียนท่านพระครูแล้วึงเล่าต่อ สมณเณรลูกศิษย์ผมบอกว่าก่อนที่หลวงพ่อจะเอาวาดจะถูกฆาตกรรมประมาณหนึ่งสัปดาห์ท่านเห็นชายคนหนึ่งเข้าไปในห้องพระที่อาวุโสรองจากผมท่าทางชายผู้นั้นไม่น่าไว้ใจเนรก็สงสัยว่าเขาจะเข้าไปในห้องพระรูปนั้นทใํใไมจึงยอมเสียมารยาทแอบฟังเขาคุยกันพระรูปนั้นก็บอกว่า อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่ตอนนี้อยู่อันดับที่สามคือนับเจ้าอาวาสผมแล้วจึงถึงเขาถ้าเจ้าอาวาสตายเขาก็จะได้ขึ้นมาเป็นอันดับสองจึงขอให้ผู้ชายคนนั้นเก็บเจ้าอาวาสเสียแล้วก็ให้หลบไปอยู่ต่างจังหวัดสักระยะหนึ่งพอผมขึ้นแทนได้สักสองปีจึงค่อยเก็บผมจะได้ไม่มีใครสงสยัย หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เจ้าอาวาสก็ถูกยิงเสียชีวิตเนนกลัวมากไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแต่เมื่อประมาณสักษีทุ่มท่านเห็นชายคนนั้นมาแล้วเข้าไปในห้องพระรูปนั้นท่านจึงแฝงตัวไปแอบฟังอีกคราวนี้พระรูปนั้นบอกว่าสองปีนานไปท่านอยากเป็นเจ้าอาวาสเร็วๆให้หาทางเก็บผมเสีย แล้วค่อยหลบไปอยู่ต่างจังหวัดท่านจะได้ให้การกับตำรวจเหมือนครั้งที่ผ่านมาอาจต้องให้ข้าน้ำร้อนน้ำชาตำรวจบ้างหากจำเป็นเนนได้ยินดังนั้นยืนตัวแข็งเลยรีบย่องกลับไปที่ห้องของท่านแล้วสวดมนต์สวดวกไปวนมาเพราะไม่มีสมาธิประมาณเที่ยงคืนเมื่อพระเนนรูปอื่นจำวัดกันหมดแล้วจึงมาบอกผม แล้วคุณมาหาไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าคะสตรีสาวสวยคนเดิมถามอีกแจ้งไม่ได้หรอกครับผมไม่อยากให้พระเป็นข่าวเพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจของญาติโยมที่รักพระศาสนาแต่ถ้าถามผมว่ากลัวไหมผมตอบได้เลยว่ากลัวมากใครบ้างที่ไม่กลัวตายผมคิดว่าเพิ่งเลืมตาดูโลกมาได้สามสิบห้าปี จะต้องตายเสียแล้วหรือผมก็นอนคิดทั้งคืนว่าจะทำอย่างไรดีที่จะให้ทั้งตัวเองและเนลูกศิษย์ปลอดภยัยคกนนั้นผมนอนไม่หลับพอตีห้าก็ลุกขึ้นทําวัดเช้าในโบสถ์ซึ่งผมต้องเป็นคนทําแทนจเจ้าอาวาสที่มรณาภาพไปคิดว่าจะมองหน้าพระรูปนั้นอย่างไรจะไม่ให้มีพิรุธปรากฏว่าท่านไม่ได้ลงโบสถ์ ผมก็ค่อยเบาใจพอทําวัดเสร็จก็นั่งภาวนาคนละหนึ่งชั่วโมงเสร็จผมก็แผ่เมตตาให้ท่านแล้วก็เลยคิดออกคิดว่าอย่างไรคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนถามเป็นคนเดียวกันกับที่ถามเมื่อสักครู่คือพอตอนกลับจากบินทบาทผมก็ทักทายท่านท่านพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อไม่ให้มีพิรุธบอกท่านว่า ผมจะไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียท่านก็ถามเหตุผลผมก็บอกว่ากลัวจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสผมไม่อยากเป็นเพราะดวงผมต้องเป็นด็อกเตอร์ถ้าเป็นเจ้าอาวาสจะไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ตอนแรกท่านหน้าเสียไปนิดนึงแต่แล้วก็ทําเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสคงเล่นละครเก่งพอๆกันกับผมผมจาเป็นต้องเล่นละครเพราะกลัวตาย แต่ท่านกลัวคนรู้ว่าเป็นผู้ว่าจ้างค่าเจ้าอาวาสสรุปว่าผมไปเรียนอินเดียสิบปีไม่เคยกลับเมืองไทยเลยแต่ความที่กลัวตายก็เลยตัดสินใจลาสิขาทั้งที่เสียดายใจแทบขาดผมหวังมรรคผลนะครับหลวงพ่อแต่ลาสิขาแล้วผมก็ทำงานให้พระศาสนาและปฏิบัติธรรมไปด้วยพร้อมๆกัน ผมจบด็อกเตอร์มาสองสาขาคือสาขาวรรณคดีอังกฤษกับสาขาพุทธศาสตร์ศึกษาคิดว่าจะใช้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาถ่ายทอดให้พระเนนบ้านเราผมขออนุญาตฝากตัวเป็นสิทธิกรรมฐานหลวงพ่อด้วยนะครับเขาก้มลงกราบท่านสามครั้งเป็นการฝากเนื้อฝากตัว ถกลงถ้าอย่างนั้นก็ให้รีบมาปฏิบัติต้องใช้กรรมฐานแก้ปฏิบัติแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสมาเก้าปีแล้วหลังจากรักษาการแทนมาหนึ่งปีถ้าทำได้จะได้ไม่ถูกเก็บเอาละเรื่องนี้อาตมาขอสรุปด้วยการอัญเชิญพระพุทธวจนะจากตายนักคถามาสรุปว่า กุโซยถาทุกขหิตโตหัตถมีวานุกันตติสามัญยังทุ ป, ปรามั a ถัง a เนยรยาอยู่ปกัดทติยาคาอันบุคคลจับไม่ดีแล้วย่อมบาดมือผู้จับนั่นเองฉันใดคุณเครื่องเป็นสมณะอันบรรพชิตรูปครามชั่วแล้วย่อมฉุดไปนรกฉันนั้นสาธุ สตรีสาวส่งเสียงสาธุดังกว่าเพื่อนเจตนาคือต้องการเรียกความสนใจจากด็อกเตอร์หน้าตาเหมือนพระเอกหนังอินเดียท่านพระครูรู้ว่าหลอนตกหลุมรักอดีตมหาเข้าแล้วและยังรู้อีกว่าหลอนไม่ใช่เนื้อคู่ของเขาบุรุษนี้มีเนื้อคู่สามคนจะต้องมีเมียถึงสามคนที่ไม่ใช่หลอนท่าน ไม่ต้องการให้หล่อนผิดหวังจึงช่วยด้วยการถามอดีตมหาป ร, ริยญนว่าโยมมหาขออภัยนะอย่าหาว่าอาตมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นเลยแต่อยากจะขอถามว่าโยมมหามีคู่รักแล้วหรือยังแฟนนะ่ะมีแล้วหรือยังสตรีสาวผู้หนึ่งอยากให้คุณมหาตอบว่ายังครับเจว่ามหาที่วัดนี้ หากก็ต้องผิดหวังเมื่อคุณมหาตอบว่าไม่มีครับหลวงพ่อผมไม่คิดจะมีคู่รักถึงผมไม่ได้เป็นพระแล้วแต่ก็จะดำเนินชีวิตเยี่ยงพระผมจะไม่แต่งงานครับดีอาตมาขออนุโมทนาท่านพระครูตั้งใจพูดเพื่อให้สตรีสาวตัดอกตัดใจแต่หลอนกลับคิดว่าเธอคิดจะไม่มีคู่ก็คิดไปเถอะ เราจะตื้อซะอย่างตื้อเท่านั้นที่ครองโลกคุณมาหาไม่จีบฉันฉันจีบคุณมาหาก่อนก็ได้จะเป็นไรไปผู้หญิงสมัยนี้มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าแต่ก่อนถ้ามัวรอให้ผู้ชายมาจีบก็เฉาตายกันพอดีเราต้องจีบผู้ชายก่อนไม่งั้นไม่ทันคนอื่นปัจจุบันผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายตั้งหลายเท่า ผู้ชายชักมีเมียน้อยลงไปทุกวันทุกวันจะศู์พัน์เสียกก็ไม่รู้เอแต่ว่าโย ม, มหาไม่กลัวผู้ชายจะศู์พัน์หรือท่านพูดกับด็อกเตอร์แผนแต่ศบตากับสตรีสาวเรากับจะบอกว่าโยมคิดอะไรอยู่อาตมารู้นะอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ครับหลวงพ่ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เราไปห้ามไม่ได้ท่านพระครูกำหนดจิตดูจิตของสตรีสาวเห็นว่ากำลังเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่ท่านจึงนำเรื่องจริงขึ้นมาพูดคเนดูว่าหล่อนคงไม่ถึงกับขาดใจตายเพราะหล่อนเป็นคนรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นท่านพูดกับด็อกเตอร์แผนว่าโยมมหาอัตมาดูหน้ายโยมมหาแล้ว เห็นว่าเป็นโสดตลอดไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นเหรอครับหลวงพ่อถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อกรณาช่วยผมด้วยนะครับให้ผมบวชอยู่วัดหลวงพ่อผมเชื่อบารมีหลวงพ่อจะช่วยคุ้มครองผมได้มหารูปหล่อพูดจากใจจริงเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้กรรมกับผู้หญิงถึงสามคนที่เคยอุดหนุนจุนเจือกันมาแต่ชาติก่อน บวชไม่ได้รอคืนบวชก็ต้องอบัตปราชิตข้อเสพเมทุนเพราะผู้หญิงเขาจะตามตือ้อถึงโยมมหาไม่มีใจให้เขาแต่เขาก็มีใจให้เราโยมมหาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงสมัยนี้เขาถือคติผู้ชายไม่จีบเขาก็จีบผู้ชายก่อนเพราะถามัวรอให้ผู้ชายมาจีบก็เฉาตายกันพอดีจริงไหมโยม ท่านถามสตรีสาวเจ้าของความคิดนี้ท่านพูดแค่ครึ่งเดียวถ้าพูดทั้งหมดที่หล่อนคิดท่านกลัวว่าหล่อนจะต้องออกงิ้วกลางกุฏิอย่างแน่นอนแทนที่จะรู้สึกอายสตรีสาวสวยแต่หน้ายางมาต่อยกับโต้ตอบว่าหลวงพ่อพูดเหมือนอย่างที่หนูคิดเลยค่ะแบบนี้ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ความคิดหนูด้วยถึงจะถูก ท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงคิดว่าช่างหัวหล่อนลองกล้าขนาดนี้ท่านขอยอมแพ้ช่วยด็อตอร์แผนดีกว่าแล้วจึงพูดขึ้นว่าด็อตอร์จำที่อาตมาพูดไว้นะอาตมาไม่ใช่หมอดูแต่ดูโง่งเห้งแล้วด็เตอร์ต้องมีภรรยาสามคนถ้าไม่จริงอาตมาให้ปรับสองล้านถ้าอาตมาไม่มีใจ จะเอาหอประชุมหลังนี้ไปจำนำเอาเงินมาจ่ายด็อกเตอร์ท่านเจตนาพูดเล่นไม่เป็นไรครับหลวงพ่อถ้าไม่จริงผมก็ไม่ปรับหลวงพ่อแล้วหอประชุมหลังนี้ผมก็คิดว่าญาติโยมเขาสร้างถวายถ้าหลวงพ่อเอาไปจำนำประเดี๋ยวญาติโยมเขาจะว่าหลวงพ่อดอกเตอร์แผนรู้ว่าท่านพูดเล่นขอบใจขอบใจโยมมหา แต่ที่อาตมากล้าท้าพานันพระอาตมามั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างที่อาตมาพูดท่านเกรงจะเข้าขายอวดอุตริมนุสธรรมจึงต้องพูดออกตัวก่อนว่าญาติโยมทั้งหลายการจะรู้จะเห็นอดีตรหรืออนาคตของคนทำได้ไม่ยากเลยถ้ามาเข้ากรรมฐานเจริญสติปฏิบัติให้ถึงขั้นก็จะรู้เห็นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมาถามอาตมาหรือไปถามพระที่ไหนข้อสําคัญโยมปฏิบัติย่อๆแย่ ๆ, ๆยังไม่ถึงขั้นก็มาโวยวายว่าหลวงพ่อเจ้าขาโยมปฏิบัติมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรสักอย่างแบบนี้ก็มีมากแต่คนที่เ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นที่อาตมาพูดมาก็มีเหมือนกันท่านรู้ว่าผู้ที่นั่งอยู่ณที่นี้ ไม่ได้เชื่อตามที่ท่านพูดหมดทุกคนเพราะบางคนก็ตั้งใจจะมาลองดีกับท่านหลวงพ่อคะแล้วเนื้อคู่สามคนของดรแผนมีใครบ้างคะที่นั่งอยู่ณที่นี้มีสักคนไหมคะหญิงสาวที่รักเข้าข้างเดียวเข้าเหนียวนึ่งถาม ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าต้องเป็นหนึ่งในสามหากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านเจ้าของกุติพูดกับด็อเตอร์แผนว่าด็อเตอร์ฟังให้ดีนะหรือจะเอากระดาษมาจดไว้ก็ได้อาตมาได้ตำรานี้มาจากการปฏิบัติไม่เคยพลาดสักครั้งบางคนมาโกหกอาตมาอย่ายกตัวอย่างคนไทยเลยนะเดี๋ยวคนไทยเขจะเกลียดอาตมา ยกตัวอย่างที่ไกลตัวดีกว่าเมื่อสามปีที่แล้วคือปีพุทธศักราชอัอาตมาไปประเทศจีนเมืองสวดเทามีสินแสคนหนึ่งจับชีพจรแล้วรู้หมดว่าคนนี้มีเมียกี่คนมีลูกกี่คนคนนี้มีสามีกี่คนอาตมาก็อยากจะลองดูว่า กับวิชาสติปัฏฐานสีไหนจะแม่นยากว่ากันมีคนจีนคนนึงเขาเป็นด็อกเตอร์เป็นคนพาอาตมาไปหาสินแสเขาบอกอาตมาว่าก่อนมาเขามีเมียหนึ่งคนมีลูกสามคนอาตมาก็ตั้งสติกําหนดเห็นหนอเห็นหนอแล้วก็คิดในใจว่าต่อด็อกเตอร์คนนี้โกหกพระเสียแล้วน่อย รู้จักเราน้อยไปก็แกมีเมียสามคนมีลูกห้าคนทำไมต้องโกหกด้วยแล้วสินแสทายว่าอย่างไรคะสาวผู้ไม่ยอมรับว่าตนอกหักถามใจเย็นเย็นโยมมันต้องไปทีละสเต็ปท่านเจ้าของกุติใช้ภาษาทันสมัยอาตมารู้แล้วว่า ที่ดรโกหกอาตมาเพราะประเดี๋ยวสินแสจะมาทายว่าเขามีเมียสามคนมีลูกหอาตมาก็นิ่งไว้พอไปถึงด็ตอร์ก็ให้สินแสจับชีพจรสินแสก็ทายอย่างที่อาตมาคิดจริงๆดรเตอร์ Dr. เขาก็พูดกับอาตมาเป็นภาษาไทยว่าเห็นไหมสินแสทายผิดด็อร์คนนี้เขาพูดได้สามภาษา มีภาษาจีนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็บอกให้อัตมาทายต่อหน้าสินแสอัตมาไม่อยากให้เขาอายขายหน้าเลยบอกว่าวิชาของอัตมาก็ได้คำตอบเหมือนกับสินแสยังดีที่สินแสฟงังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่อัตมาฟังภาษาจีนรู้เรื่องเพราะมีอากงเป็นคนจีนเขาก็บอกอัตมาว่า พระคุณเจ้าทายผิดแล้วอัตมาก็เลยบอกว่าวิชาของอัตมาแขังกว่าวิชาของสินแสเพราะไม่ต้องจับชีพจรก็รู้ว่าใครพูดจริงใครโกหกด็อกเตอร์มีเมียสลูกหเป็นลูกสาวสองลูกชายสาด็อกเตอร์คนนั้นเขาจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมคะหญิงสาวซึ่งน่าจะเป็นลูกคนช่างถาม ถามอีกผู้ที่นั่งนที่นั้นรู้สึกตรงกันว่าหลอนไม่ใครมีมันยากอานิยมก็ต้องไปถามเขาเอาเองไปที่ประเทศจีนเมืองสัวเถานะไปถามหาด็อกเตอร์ที่มีเมียสามคนลูกห้าคนจะอาวาดวัดป่ามะม่วงประชดเพราะรู้สึกว่าจะรู้สึกตรงกับผู้ที่นั่งอยู่น้ที่นั้นเอาละ ที่นี่อาตมาจะพูดกับดรเตอร์แผนอาตมาไม่ได้พูดกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นคนที่จะถามได้ก็มีดรอเตอร์แผนคนเดียวท่านตั้งใจบอกหญิงสาวช่างพูดช่างถามคนนั้นแล้วพูดกับดรอเตอร์แผนว่าภรยาคนแรกเป็นคนที่อุปถัมภ์ค่าเรียนระหว่างที่อยู่อินเดียด็เตอร์ไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่เขาคิดคิดว่าเมื่อดตอร์จบกลับมา เขาจะขอให้แต่งงานกับเขาถ้าไม่แต่งเขาจะขอเงินคืนพร้อมคินทั้งดอกเบี้ยทบต้นโอ้ยเงินเป็นแสนผมจะเอาที่ไหนมาใช้คืนเขาล่ะครับผมก็นึกว่าเขาศรัท ธ, ธาพระที่แท้ก็คิดจะศึกพระด็อกเตอร์แผนพูดแบบกึงก่งคํำกึ่งหนักใจเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็คงต้องแต่งงานกับหลอนอยางไม่มีทางเลือกหลวงพ่อท่านทายแม่นเหลือเกิน ไม่เป็นไรคนนี้จะอยู่กันแค่ปีเดียวอีกคนก็ตามมาอีกคนนี้เป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันรู้จักกันในมหาวิทยาลายัยเขาเพียงแต่จะมาเยี่ยมเพื่อนไม่ได้คิดอะไรมากแต่คนที่หนึ่งหึงหวงก็จนเขาอยากจะเอาชนะก็เลยชวนด็อเตอร์ไปเช่าบ้านอยู่และเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยกัน กิจการดีอยู่พักเดียวก็ต้องเลิกเพราะอะไรรู้ไหมไม่ทราบครับแล้วคนที่หนึ่งเขาตามอรารวาดไหมครับดออรอวย์สี่สิบเรียนถามอรารวาดสิเขาให้เพื่อนโยมมาหาไปสืบให้เพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนก็พาซื้อพาไปโยมมหาก็พาภรยาที่เป็นฝรั่งนี้ในที่สุด เมื่อเพื่อนรู้ว่าภรรยาคนแรกบังคับให้ด็เตอร์แต่งงานกับเขาก็เลยไม่ยุ่งด้วยพอดีต่อจากนั้นเขารู้จักกับพ่อไม้ชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาต้องการประชดภรรยาที่เป็นคนอเมริกันของด็ตอร์เลยแต่งงานกับพ่อไม้แล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกาเป็นอเมริกันซิติ้เซนไปเรียบร้อยโอ้โหหลวงพ่อมีความรู้มากจังครับ เขาหลีกเกลี้ยงใช้คำว่ารู้มากซึ่งความหมายไม่ดีนะักทีนี้ก็มาถึงคนที่สามคนนี้เป็นแม่หมา้ายสามีตายมีลูกชายติดหนึ่งคนแล้วก็จะเป็นคนสุดท้ายเขาเป็นคนดีมากอีกยี่สิบปีจะมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้จะมากับเพื่อนของดอกเตอร์ที่พาภรรยาคนแรกไปสืบนั่นแหละตอนนี้ยังไม่รู้จักกัน โยมมหาก็ยังไม่รู้จักเพื่อนคนนี้แล้วก็ยังไม่รู้จักว่าที่ภรยาคนที่สามสรุปว่าคนที่สามดีที่สุดและด็เตอร์ก็จะเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติเพราะได้ภรยาดีแล้วคนที่สองทำอย่างไรครับเขารู้สึกหวงวอรที่ผู้เป็นทั้งเพื่อนและครูสอนภาษาอังกฤษให้เขาสมัยที่เขาไปอินเดียใหม่ๆก่อนเขากลับเมืองไทยเพียงสองเดือน วอที่มาบอกว่าจะกลับอเมริกาและเทาว่างจะมาเยี่ยมเขาที่เมืองไทยจะว่าไปแล้ววอที่ก็มีบุญคุณต่อเขาพอๆกับสุนิสาแต่เขาก็ไม่ได้รักคนทั้งสองแบบชู้สาวโดยเฉพาะวอที่นั้นท่าทางออกไปทางผู้ชายผู้ชายสิ่งที่เขาไม่ชอบวอที่มีอยู่เรื่องเดียวคือหล่อนสูบบุหรี่จัดชนิดมวนต่อมวล เขาเป็นคนแพ้กลิ่นบุรีได้กลิ่นนิดเดียวก็เวียนหัวแล้วจะอยู่กับเธอได้อย่างไรเหมือนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจะรู้ว่าเขากําลังวิตกกังวลเรื่องวอที่ติดบุรีจึงช่วยแก้ปัญหาให้ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเหม็นบุหรีอยู่กันปีเดียวก็เลิกกัน เพราะทำไม่เลิกกันก็ไม่เจอนางเอกนะกว่าพระเอกนางเอกจะได้เจอกันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคใช่ไหมละ่ะเรื่องที่เลิกกันก็ไม่มีอะไรมากคือคนที่เป็นอเมริกันเขาเกิดสงสารด็อกเตอร์ที่แพะบุรีตัวเขาเองก็เลิกสูบไม่ได้แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าจิตเขามันเป็นผู้ชายไปครึ่งหนึ่งแล้ว เขาก็ไม่รู้ตัวว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่อาตมารู้แม่อาตมาเนี่ยชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นจังทั้งเี่ยวเรื่องของตัวก่อเต็มเปาเต็มกระเปา๋าใช่ไหมด็อกเตอร์ใช่ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งครับด็อกเตอร์แผนตอบแม่ตอบเป็นปริศนาช่วยอธิบายหน่อยเถอะอาตมาไม่เข้าใจ เพราะอาตมาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์มีใครเข้าใจด็อกเตอร์พูดบ้างท่านถามญาติโยมในที่นั้นสุภาพสตรีที่ทักท้วงท่านเรื่องการใช้สรพพนามต้องการทราบเงื่อนไขก่อนจึงเรียนถามท่านว่าเมื่อกี้หลวงพ่อตั้งเงื่อนไขไว้ว่าคนที่จะถามได้มีด็อกเตอร์แผนคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบได้ มีหลายคนก็ใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะอยู่นอกเงื่อนไขได้ใครจะตอบก็ได้โยมตอบก่อนก็แล้วกันไหนโยมเข้าใจที่ด็อตอร์พูดว่าอย่างไรสตรีนั้นตอบอย่างฉับพลันว่าหนูก็ไม่เข้าใจคะ่ะนิ่นมดหลวงพ่อช่วยตอบด้วยคะ่ะอาตมาก็ไม่เข้าใจถึงได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมตอบอย่างไรล่ะ ไม่มีคนเข้าใจเลยหรือแล้วกันอันตามาก่อนนึกว่าจะมีคนเข้าใจท่านแซงทำหน้าเครียดเครียดด็อเตอร์แผนจึงพูดว่าผมว่าผมอธิบายดีกว่าครับหลวงพ่อคือที่หลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่อชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นนั้นใช่ครึ่งหนึง่งไม่ใช่ครึ่งหนึง่งขยายความว่าที่ไม่ใช่เพราะหลวงพ่อต้องการช่วยเขาแก้ปัญหา หลวงพ่อมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อเวณยนิกรอยากให้เขาแก้ปัญหาคือแก้ทุกข์ได้แต่ที่ว่าไม่ใช่ครึ่งหนึ่งหมายความว่าที่หลวงพ่อไปรู้ไปเห็นเรื่องของคนอื่นมิใช่เพราะประจานเค้าแต่ต้องการช่วยเขาผมตอบถูกรือเปล่าครับถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดที่ไม่หมดก็คือว่า คนที่อาตมาจะช่วยเหลือจะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเขานั้นเพราะเขากับอาตมามีกรรมรวมกันมาแต่ครั้งอดีตอาตมาต้องการใช้ให้หมดเพราะจะได้ไม่เกิดอีกเบื่อโลกมนุษย์เลือกเกินแล้วเอาละทีนี้อาตมาก็จะทำปฏิทินชีวิตของด็เตอร์ให้ว่าปี2 5 2 9ด็ตอร์ต้องแต่งงานกับคนที่หนึ่ง ปี2530ก็เลิกกันเพราะคนที่สองมาเยี่ยมแล้วคนที่หนึ่งเขาหึงจึงประชดด้วยการไปแต่งงานกับพ่อหม่ชาวอเมริกันคนที่สองก็มาอยู่กับด็อกเตอร์โดยไม่ได้แต่งงานอยู่กันได้ปีเดียวเขาก็เกิดสงสารด็อกเตอร์ที่แพ้ควันบุหรี่อีกอย่างเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่เป็นสามีภรรยากับด็อกเตอร์ แต่ทำไปเพราะต้องการประชดภรรยาคนที่หนึ่งที่ไปหึงเขาใจจริงเขาไม่ได้ต้องการมีสามีเขาไม่ชอบผู้ชายเขาชอบผู้หญิงท่านยกมือข้างขวาป้องปากเมื่อพูดว่าเขาชอบผู้หญิงทุกคนณนที่นั้นหัวเราะเสียงดังหากไม่เกรงใจว่าเป็นในวัดก็คงพากันโหท่านเจ้าของกุฏิจึงย้ำว่า นี่อาตมาไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนที่เขาชอบผู้หญิงประชาติก่อนๆเคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้ทำผิดศีลข้อกามเมจนต้องไปใช้กรรมในเมืองนรกหมดกรรมจากเมืองนรกก็ยังมีเศษของกรรมอีกคือต้องไปเกิดเป็นลาตัวเมีย500ห้าร้อยชาติโคห้ารอยชาติคนพิการตาบอดแต่กําเนิดห้า้อยชาติ หูหนวกแต่กำเนิด5 0าชาติกระเทย500ชาติสตรี500ชาติรวมเป็นสามพันชาติจึงจะสิ้นกรรมที่ว่าทำผิดประเวณีพอดีในชาตินี้เขาเกิดเป็นผู้หญิงชาติสุดท้ายแล้วก็จะสิ้นกรรมก่อนตายเขาจึงไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้ชายก็เลยกลายเป็นเพื่อนกับด็อกเตอร์แล้วเขาก็อยู่เมืองไทยได้ ราจดทะเบียนกับด็อกเตอร์เขาเป็นคนมีจิตสาธารณะคือชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยสาธารณะกุศลต่อจากนั้นเขาก็ไปช่วยสอนเด็กกำพรา้าให้มูลนิธิแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีด็อกเตอร์ไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้ดำรงเพจบรรพชิตได้ตลอดชีพแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าด็อกเตอร์จะหมดสิทธิ์บรรลุมรรคผลท่านรู้ว่า ด็อกเตอร์แผนจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันประเภทเอกพีชีส่วนภรยาคนที่สามจะได้เป็นพระโสดาบันประเภทสัตตะคตุปรมะเรื่องนี้ท่านจะไม่บอกเขาเพราะจะทำให้เขาตั้งอยู่ในความประมาทไม่เร่งขวนขวายทำความเพียรเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าเขาเสียใจยอยู่ลึกที่ ม่อาจดำเนินชีวิตเยี่ยงพระได้ดังที่ตั้งปณิธานไว้ท่านจึงพูดให้กำลังใจเขาว่าด็ตอร์ต้องแก้บ่วงที่ผูกคอออกให้หมดก่อนอัตมาหมายถึงต้องใช้กรรมกับภรรยาสามคนเสียก่อนใช้ให้หมดในชาตินี้นะอัตมารู้ว่าจิตของด็ตอร์เป็นโซดแล้วยังดีกว่าคนที่บวชแต่ยังละกรรมไม่ได้ก็เลยเป็นโซดไม่ได้ นี่อาตมาไม่ได้พูดเองนะเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่านับปหายะมุนีกาเมเนกัตตะมุปปชติมุนีละกามทั้งหลายไม่ได้แล้วย่อมถึงความเป็นโสตไม่ได้นี่มานานตยนะคถาพระไตรปิฎกเล่มที่15้าข้อที่239หน้าที่67นะท่านบอกที่มาให้ด้วย